คือเมืองใหญ่ๆเนี่ยประตูเมืองสี่ประตูมีทางเข้าเนี่สมมติว่าอายุยาอยุทยาสมัยก่อนก็จะมีกำแพงล้อมหมดเลยแล้วก็มีประตูเข้าสี่ประตูทีีประตูเมืองสี่ประตูนี่เปิดถึงแม้ประตูในบ้านปิดก็เชื่อว่าเปิดก็เชื่อว่าเปิดเพราะเปิดประตูใหญ่ใช่ไหมก็เชื่อว่าไม่ปิดเนี่ก็เหมือนกันถ้าสมมติหลับตา ใชปิดหูเนี่ยมันไม่ใช่วิธีปฏิบัติเพราะว่าจริงๆแล้วบาปมันเกิดทีช่ชาวนะมันไม่ใช่ใช่ไหมมันไม่ใช่ไปปิดทีิศนะดังนั้นคนแทงตาบอดก็บรรลุได้ง่ายเลยคนเนี่ยแทงเงินตาหูหนวกก็บรรลุได้ง่ายไม่ใช่อย่างนั้นแม้ปิดประตูเรือนยุ่งฉางแล้วห้องหาเป็นภายในอย่างเรียบร้อยแล้วก็ตามแม้ถึงขนาดก็เชื่อว่าไม่รักษาไม่คุ้มครองซึ่ง ของทั้งมวลที่มีอยู่ในเมืองนั้นนันเที่ยวเพราะเหตุว่าโจรทั้งหลายเข้าไปตามประตูเมืองแล้วก็ทําสิ่งที่ตนเองปรารถนาได้ฉันใดแม้โทษทั้งหลายมีความทุศีนเป็นต้นเกิดขึ้นแล้วที่ชาวนะทันแล้วไม่สังวรมีอยู่ที่ชวนะแม้เทวันเป็นต้นก็เชื่อไม่รักษาแล้วเขา้าใจยังแม้ผวังกับจิตวิถีจิตทั้งหลายมีอวัชนะเป็นต้นเป็นอันไม่รักษาแล้วฉันนั้นเหมือนกันนี่มีเป็นไปรัก แต่เมื่อคุณทั้งหลายนะคือการมีศีลนะถ้าการมีศีลเกิดขึ้นที่ชวนะความไม่ทุศีเนี่นะความมีศีลเกิดขึ้นที่ฌวนะการมีสติสังวรก็เกิดขึ้นที่ชวนะการมีความรู้ก็เกิดที่ชวนะกําลังเกิดขึ้นเฌวนะความอดทนก็เกิดที่ฌวนะความไม่เกียดค้างก็เกิดที่ชวนะเป็นไปอยู่ถ้าในขนาดนั้นนะตรงนั้นน่ะนะ ถึงแม้ว่าเราเนี่ยไม่บาปเกิดไม่ให้ราคะโทสะโมหะหมุนก็สู่เสร็จเทนะได้ถึงแม้จะลืมตาอยู่ถึงแม้จะเปิดหูอยู่ถึงแม้จะดมกลิ่นอยู่ถึงแม้จะกินอาหารอยู่ถึงแม้จะสัมผัสทางตาเย็นร้อนอยู่ถึงแม้จะคิดเรื่องราวต่างๆเป็นไปอยู่อันนั้นก็ชื่อว่าปิดปิดตวารแล้วเข้าใจคาว่าปิดต ว, วานนี่ยังไอปิตวานทั้งทั้งหกเนี่ย เขาปิดแบบนี้สรุปก็คือปิดในที่นั้นเป็นการปิดบาปคือไม่ให้ราคะโทสะโมหะหมุนเข้าสู่โชนะดา้แต่เปิดตาอยู่ไหเปิดตาอยู่หูก็เปิดอยู่งั้นวิธีปฏิบัติไม่ใช่ว่าปิดตาซ้ายขวาปิดหูสองข้างปิดปากซสียบ้างนั่งสบายที่พู่วอะไรกันเนี่ยมันเป็นจำนวนเขาให้ปิดไม่ให้บาปเกิดที่โช น, นะแต่ท่านก็ทรงขับเน้นไม่ใช่มองไว้ทั่วนะ ทั้งนั้นจะดูล็อกแรกโอ้โหสบายแล้วลูกเงียบเที่ยวมองไปท่วงมีบาปเกิดง่ายเหมือนนี่เข้าใจวิธีปฏิบัติในการสังวรเนี่ยท่านมีหลักทั้งคันอย่นี่รายละเอียดมันเยอะพูดเรื่องหลักตรงเนี้ยมี่มาต้องการสรุปในเวลาที่กระชับเนี่ยมันก็ยากหน่อยแต่จริงๆไงในหลักต่างๆเหล่านี้ยมันเป็นไปลักษณะานี้ทีนี้ท่านก็เลยอุบมาแล้วเนี้ยตรงนี้ท่านเลยอุบมาประตูเมืองทั้งสี่ปิด ประตูจังหวัดพิยาณปิดหมดเลยสี่สี่ประตูอย่างสมัยก่อนประตูเมืองใหญ่ๆปิดในบ้านยมมงคลเปิดประตูบ้านเชื่อปิดแล้วเพราะโจรมันอยู่รอบนอกใช่ไหมมันจะเข้ามาได้ไหมเข้าไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมกรณีอย่างนี้เหมือนกันยมมงคลเปิดตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเปิดทวารใจไว้ได้แต่ปิดไม่ให้บาปไหลเข้าสู่โชนะไม่ราคาทูสะโมหะไหลเข้าสู่โชนะ คือตอนนั้นให้ชาวนามีศีลให้ชาวนามีมีสติให้ชาวน า, าวนั้นมีความรู้ให้ชาวนานั้นมีความอดทนให้ชาวนานั้นให้มีวิรยิยะคือไม่เกิดการตรงนั้นเชื่อว่ามีสังวรแล้วสังวรเกิดก็ไปทําให้เกิดทําให้มีขึ้นจะอยู่ที่บ้านก็หัดปิดประตูเมืองใหญ่ด้วยขยายยางปิดประตูเมืองใหญ่ อย่าไปมัวแต่ปิดประตูเล็กคือตาหูอย่หมวกลิ้นกายใจแต่ต้องปิดบาปทำชาว น, านะนั่นแหละให้มีศีลเนี่ยให้มีศีลที่ชาวนาชาวนะที่ไม่มีสติก็เรียกร้องให้สติมาเกิดที่ชาวนาชาวนาไม่มีความรู้มาเกิดก็นั่นแหละพัฒนาเอาความรู้มาอัดข้อมูลใส่ชาวนาเยอะๆความรู้ต้องถูกต้องเลยนะเป็นไปก็ไปทำคำสอนได้นะ แล้วก็ความอดทนในชาวนะไม่มีใช่ไหมแต่ก่อนไม่มีก็เอานั่นแหละเอาขันติสังวรมาไว้ที่ชาวนะทันเกียจค้านใช่ไหมชอบหลับอยู่เรื่ อ, อยองนี้นะก็เอาวิริยะสังวรมันจะได้ออกจากกามวัวตกพยาบาทวิตกผู้หญิงสาววิตกขึต้นได้ก็เอามาอัดประชุมลงในชาวนะแล้วก็ไม่ต้องปิดทวารตาหงงูจมูกเดินใจใช่ไหมแต่ปิดบาปคือราคาโทสาโมหะไม่ให้หมุนเข้าสู่กระแสรุ่นชาวนะ อย่างนี้ก็ชื่อว่าปิดแล้วผวังก็ชื่อว่ารักษาแล้วอวชนะก็ชื่อว่ารักษาจากคุญญาณสัมปติชนะสนติแล้วนะโวทนะันทะก็เป็นอันว่ารักษาแล้วพอรักษาแล้วที่โชนะเขา้าใจยังจานวนที่มิยมไม่ชีถามมามาม า, ม า, มาต้องงงว่าใช้สํานวนชาวบ้านนี้ชํานวนภาษาภาษาของธรรมะ โ, โอ้ อ๋อใจในที่นั้นเป็นชื่อของมโนทวารเป็นชื่อของมโนทวารใจในที่นั้นเป็นชื่อของตัวทวารไม่ใช่เป็นชื่อของชาวนะถ้าคาว่าใจในสํานวนนั้นเน่ยเป็นชื่อของมโนทวารอ้ามโนทวารนองทำได้แก่อะไรถามโยนมาหมานก่อนอย่าขาดเรียนบ่อยดีนะมโนทวารนองทำได้แก่อะไรมโนทวารเออแช่วหมมีจักรคูทวารใช่ไห ม, ม องค์ทำได้แก่จกักรคูปราศาสตรหรือสภาวะเขาได้แก่ตัวจักรคูปราศาสตร์ใช่ไม่ใช่โสตวทาวารก็คือโสตปราศาสตร์าณทวารก็คือชาณาปราศาสตร์ชิวหาทาวารก็คือชิวหาปราศาสตรกายยะทวานก็คือกายากายปราศาสตร์และมโนทวานองค์ทำได้แก่มโนทวานได้แก่อะไรเออได้แก่ผวังใช่ไหมตัวผวังนั่นเองนั่นแหละใช่ไหม ต, ตัวผวังนั่นแหละมาเป็นมโนทวาน ไ ม, ไม่ใช่ไปปิดทวารคือปิดภวังตรงนั้นที่จะเป็นอาวชนะที่จะเป็นภวังคู้ปฏิเจทาที่จะให้เกิดมโนทวารเราชนะไปคนนั้นคาว่าใจโดยภาษานั้นยางนั้นแม้มโนทวารเราชนะตัวมโนทวารเราชนะเนี่ยเป็นตัวอาวชนะมโนทแต่อารมณ์ทางมโนทวารที่สามารถคิดอดีตอนาคต ปัจจุบันภายในภายนอกคิดหยาบละเอียดเป็นต้นเนหรือคิดบัญญัติปรามาตย์เป็นต้นได้ใช่ไหมตัวมโนถวาราวช น, น์แม้ตัวนั้นก็ไม่ใช่ไม่ใช่ชานนะอันนั้นก็อยู่ในฐานะที่ที่เป็นเป็นจิตที่เกิดในมโนถวารใช่ไหมเกิดในมโนถวารคาว่าเกิดในที่นั้นแปลว่า ต้องอาศัยผวังคู่ปะเฉธาเป็นต้นเน่ยเป็นอนันตระปัจจัยสมันตระปัจจัยอนันตูปนิสียปัจจัยเป็นต้นใช่ไหมนั่นแหละก็อยู่ในฐานะที่เป็นจิตที่เกิดโดยอาศัยถาวรใช่ไหมเพื่อสายผวางเป็นต้นเน่ยเป็นไปอย่างเนี้ยก็ต้องเข้าใจทีนี้พอเข้าใจว่าคำว่าใจภาษานั้นใช่ไหมภาษาคําสอนนั้นท่านเน้นลงตรงที่ผวังนี่ผวังกับจิตก็มีอารมณ์ ที่เป็นกรร ม, มาอารมณ์บ้างกรรมนิมิตพฤตินิมิตอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมที่รับมาจากเพราะก่อนเมื่อใกล้จะตายถึงนอันไอ้ที่พูดไปก็จะเดี๋ยวก็จะเป็นการเป็นการสื่อภาษาลงลึกมากเลยแต่ว่าประเด็นต่างๆเหล่านี้ก็ต้องพูดเพราะอะไรสิ่งต่างๆเหล่านี้เอามากําหนดเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาในหมดเลยไม่ใช่ไม่ได้นะไม่ใช่ไม่ได้แล้วสรุปก็คืออย่างนี้ การปิดเนี่ยนะการที่จะไม่ให้บาปเกิดหรือการให้บาปเกิดเนี่ยอยู่ตรงที่ชาวนะไม่ใช่อยู่ที่ประวังไม่ใช่อยู่ที่อวชนะใช่ไหมอวชนะเนี่ยทุศีลตรงนั้นก็ไม่มีหรือไม่ทุศีลก็ไม่มีที่มโนท ว, ว, าาว่ารอวชนะนะแต่ที่ชาวนะดีมีความทุศีลหรือมีทุศีลเกิดตรงเนี้ยเกิดตรงชาวนะเนี่แหละคือตัวที่ดิเศษารมถ้าตรงนั้นนะทุศีลเกิดเห็นชัดเลยศรัทธา เป็นต้นไม่เกิดความทุศีเกิดอสติก็ไม่เกิดความรู้ก็ไม่เกิดความอดทนก็ไม่เกิดความเพียรก็ไม่เกิดในชาวนะนั้นสรุปว่าคือเนี่ยกลุ่มต่างๆเหล่านี้ไม่เกิดเพราะไม่เกิดชื่อว่าทุศีชื่อว่าไม่สังวรไม่สังวรก็แปลว่าอะไรโยมโอไม่ระวังไม่ติดอะไรไม่ติดราคาทูสาวโมหะปล่อยให้ราคาทสาวโมหะไหลเข้าสู่กระแสจิต นี่เริ่มชัดเจนได้อย่างแต่เนี้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าอินทรีย์สังวรทางทาวารตาอย่างไรทาวารหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมก็อนุโลมอธิบายตามแนวแบบนี้แต่พวกเราต้องเอาไปวิจัยเองไม่ใช่พอครูบาอาจารย์ยกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างหรือพระที่ท่านมาบรรยายยกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่าง เ, เสร็จที่เหลือนองนั้นเราก็แช่ทิ้งเขาไว้ กลายเป็นมัมมี่แค่แข็งนันเดียวเนี่ยแล้วก็ไม่ได้วิจัยกันมาอย่างยาวไกลใช่ไหมฮะมันต้องไปวิจัยต่อใช่หรือเปล่อ๋อคืออย่างนี้หนึ่งความเข้าใจเนี่ยของโยมนกหรือของบุคคลทั่วไปนต้องเข้าใจก่อนถ้าไม่มีความเข้าใจในเรื่องศีลเป็นอย่างดีเนะ จะไปทำโยนิโสมนัสิการ์เพื่อทำให้การมีศีลเกิดขึ้นไม่ได้แล้วจะทํำยังไงไม่รู้เรื่องศีลเลยอ่ะแล้วจะให้ศีลเกิดแล้วจะไปตั้งโยนิโสมนัสิการกับอะไรใช่ไหมก็ตั้งอยู่บนฐานไม่รู้บางทีศีลเกิดหรือไม่เกิดก็ไม่ทราบถ้าไม่เข้าใจกุศลเป็นยังไงอกุศลเป็นยังไงอ่ะแล้วจะทํำยังไงอมาถึงใช้คําว่าพวกเรา บางครั้งที่บอกว่าพระเจ้าบอกว่ารู้จักบุญรู้่างบาปที่ท่านพูดกลับหน่อยคือไม่รู้บุญไม่รู้บาปมันน่าคิดคือบุญเกิดที่ชาวนะกับไม่เกิดที่ชวนะก็ไม่ได้เคยรู้กันเลยว่าอะไรเป็นบุญหรือไม่เป็นบุญใช่ไหเคือเอามาไปสะเทือนใจพ่อตำหนิตอนเด็กๆ เ, เองเนี่ยมันไม่รู้บุญรู้บาปว่าไหมเอามาก็เลยมันนึกถึงพยัญชนะคํานั้นอ่ะที่พ่อพูดอ่ะ ยมพ่อพูดสมัยเออเราไม่รู้จริงๆแต่เราก็เถียงในใจใช่ไหมว่าเรารู้จากบุญรู้จักบาปถ้ารู้จากบุญรู้จักบาปจริงๆเนี่ยเราจะกล้านั่งหลับในการศึกษาพระธรรมเลยเอาถามนักดงเลยเนี่ยไม่ใช่ถ้ารู้จริงๆแตเพราะไม่รู้ใช่ไหมมันต้องยอมรับว่าไม่รู้จริงๆนะตอนนั้นเนี่ยออตอนนั้นความไม่รู้ต้องเกิดขึ้นไหมไม่รู้ เราเรารู้ไหมว่ามันจะมีโทษแค่ไหนมันไม่รู้ด้วยปัญญาที่ได้หมาย ม, มันไม่รู้ถ้ารู้ด้วยปัญญาเนี่ยมันจะเห็นโทษของถีนาเมต t h เห็นคุณของการไม่มีดี่นเ้ต ถ, ถ้าสมมุติรู้เนี่ยว่าการอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นกองยากไหมถ้าทมยากไหมก็ต้องถาาลงไปที่ว่ายากในความเข้าใจของเรายากขนาดไหน แล้วเห็นคุณไหมเนี่ยพราะเห็นคุณจริงๆเนี่ยเอ้ยในสังสารวัตที่ผ่านมาเนี่ยถ้าทำกระทบโสตรรสับศาสตร์ของเราเป็นต้นเนี่ยเราคงจะหลับแบบนี้มาอย่างยาวไกลแล้วเราจริงจมในสังสารวัตเนี่ยถ้ารู้แบบนี้มันจะกล้าที่จะมันจะมันจะคิดอีก ม, มุมหนึ่งเลยเนะมันจะไม่กล้าปฏิบัติที่ไม่ถูกคําสอนของพุทธเจ้าเลย แต่กอนออกมาก็ไปนั่งคิดพิจารณาไทาคนนะยมสุบรรโหงก็พิจารณาเออสมัยแั้นเราฟังอะไรศึกษาอะไรทำไมมันไม่ตื่นเต้นไม่ชื่นใจไม่สุขใจไม่สบายใจเลยเอ๊หยิบพระไตรปิฎกมาอ่านก็เป็นพุทธจพื่อดูก่อนศิกษาทั้งหลายก็ดูไปด้วยเราจะม่วงงีนเลยนเนี่ยะเข้าใจใช่ไหมแต่เพราะเดี๋ยวนี้โอ้โหเนี่ยนะ จะบอกสักวันไหนก็ไม่รู้โอกาสที่จะดูพระไตรปิฎกก็เหลือน้อยเต็มทอนแล้วความเข้าใจค่อยๆก็จะหายไปหมดแล้วเป็นบุญย่าลาบแล้วได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมคำสอนพองพระเจ้าอ่านได้ก็ตื่นเด้นอ่านได้ก็น้อมถึงคุณของพระเจ้าไปเอาคนละมุมเลยอย่างเนี้ยนั่นคนละมมเลยเดีเยนี้ยหรือฟังพระธรรมเนี่ยที่ฟังตาใสอยู่เนี่ยฟังน้อมอ่ะมันคนละมมแล้วเดีเนี้ยแต่ก่อนฟังหลับฟังหลับเหมือนกันนะ นี่มันมันเริ่มรู้อ่ะรู้อ่ะนี่ไงถึองบอกว่ารู้จัก บ, บุญจาก บ, บาปมันเริ่มรู้จาก บ, บุญจาก บ, บาปแต่ก่อนมันไม่รู้แล้วไม่รู้เรื่องเป็นโทษแค่ไหนอันนี้อันนี้นเป็นรักขนาอย่างนี้อเอาจดีต่อไปขึ้นอาชีวประดิ์ที่ศีลเรีย ส, สรุปสรุปเนี่ยนะเพราะว่าตรงนี้จริงๆจะไปถึงอวิติกรรมาเนี่ยคนต่างยากเนาะทีนี้ อาชีวะบริสุทธิ์ที่ศีลก็คือการเลี้ยงชีพเนี่ยนะเกี่ยวกับ น, นี้เราพึ่งอาชีวะเนี่ยเป็นชื่อของวิริยะที่มีความเพียรที่บริสุทธิ์นั่นแหละด้วยเหตนี้งการล่วงการละเมิดสิกขาบทหประการที่ทรงบัญญัติไว้เพื่อมีอาชีวะเป็นเหตุเนี่ยเริ่อหน้าแห่งการล่วงละเมิดนะท่านก็บอกว่าบัญญัติแ่บภิกษุมีความกาลธนาลามกอันความอยากครอบงำแล้วก็พูดอวดอุตรีมนุสธรรม คือทํามันยิ่งของมนุษย์อันไม่เป็นจริงเพราะมีอาชีพเป็นเหตุเพราะมีอาชีพเป็นโตัการนี้ส่วนจริงก็ต้องอบับประใจไป น, นี่เป็นพระเราก็ไม่กล้าร่วงตรงนี้ถ้าพ้มีอาชีพบริสุทธิ์นะเพื่อป้องกันไงถ้าเราไปอวดอุสริมนุษยธรรมคือทำที่มันไม่มีอยู่จริงในตนคือมนุษยธรรมทำของมนุษย์ก็คือกุศลกรรมบวสิทธ์เข้าใจไหมกุศลกรรมบวชสิทธ์เนี่ยสีห้ากุศลกรรมบวชสิทธ์เนี่คือมนุษยธรรม ทำในการที่ทำให้เกินมนุษย์ถ้ากุศลกรรมวรสิทธิ์ไม่บริบูรณ์เนี่ยสีลนห้าสิ้ห้าต้องดีกุศลกรรมวรสิทธิต้องดีโอกาสเป็นมนุษย์จึงนี้แค่นั้นแหละและในกุศลกรรมวรสิทธิ์นะถึงสงวนระวังที่สุดก็คือมโนสุจริตเนี่ยรักษาสิ้นยังไงไม่ให้โลภไม่ให้โกรธแล้วก็ให้มีปัญญาแค่นั้นแหละรักษาใจให้ดี ก็กายวาจากขาใจเขามาดูแลอยู่แล้วมาจัดแจงอยู่แล้วทําให้ไม่กระากรจัดกระจาอยู่แล้วกรณีอย่างนี้เขาเรียกมนุษยธรรมถ้าทําที่ยิ่งกว่ามนุษย์ก็คือว่านี่นแหละพวกฌานสมาบัติอภิญญามรรคผลก็เลยไปอวดใช่ไหมไปอวดอวดคุณธรรมที่มันเกินกว่ามนุษยธรรมนี่แหละเ้าเรียกอุดอุตริงมนุษยธรรมธรรมที่ยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ไปเลยบอกว่า ที่มนุษย์ก็ทำได้เนี่ยเราทํายิ่งกว่ามนุษย์ได้ก็เลยอวดคุณวิเศษแล้วคุณนั้นไม่มีในตนถ้าเป็นพระก็ต้องอบัตเปิดชีพ อ, อย่างนี้ก็เรียกว่าลเมิดอาชีวะบริสุทธิ์ที่สุ ด, ด้วยพิสูจชักสื่อให้ชายหญิงเป็นสามีภรรยากันภาษาโบราณเขาเรียกเป็นผัวเมียกันเพราะมีอาชีพเป็นตัวการอันนี้ก็ต้องอบัตสังฆ์ฐานที่สุดพระไปชักสื่อเนี่ยนะเป็นคนชี้เล ย, ยเนื้อคู่ของโยมต้องหน้าตาอย่างนี้ อะไรก็แล้วแต่เขาบอกไปยังยอมต้องอย่างนี้ก็ว่าใช่มแต่หมายตาอยู่วไอคนเนี้แล้วก็ให้คนนี้เขาเขาได้กันแล้วเขาก็ได้กันเพื่อเพื่อเป็นการเลี้ยงชีพเราด้วยเลี้ยงชีพผิดเนะี่ยลักษณะเขาเรียวกว่าอาชีววิบัตเลี้ยงชีพผิดจิตที่พาดในวันทอาประการต่อมาก็พูดนะนะ พิสูจน์อยู่ในวัดของท่านพิกษุนนั้นเป็นพระอรหันต์เพราะมีอาชีพเป็นเหตุอาชีพเป็นตัวการยั่งเยื้ ย, ยุดก็ต้องอบัตถึงนักใจยกตัวอย่างเช่นอันนี้พูดเหมงานเันนะมียอมก็ถามบอกว่าเราต้องการให้ราชกาละไหลมาชีเต่าแล้วเขาบอกว่าผ้าที่วัดนี่มีผ้าอรหันต์อยู่ไม่ดูมีโอตตนเองอยู่องค์เดียวด้วยอย่างเงี้ยสมมติหรือมีแค่สององค์หรือมีอยูห้าองค์สิบองค์ก็แล้วแต่ แต่ตนเองดูเหมือนทำทีเข้มกว่คนอื่นนอนก็เลยบอกในพระนี่ในวัดนี้ต้องมีพระอาหารพรกองค์จนได้ยอมไปพิจารณาดูเถิดจริจแค่นะอันนี้สมมุตินะอย่าไปมีสมมุติยกตัวอย่างนะนี่เรื่องยกตัวอย่างต้องเข้าใจลักษณะอย่าี้ยก็เป็นอบดับเพราะมีอาชีพเป็นทีน่หรือภิกษุมัตยภิกษุไม่ไม่อภพาตไม่ป่วยขอโภชนาปานิษฐ มาเพื่อตนมาฉันเนะ่ยด้วยอาชีพเป็นเหตุเพราะอาชีพเป็นตัวการเป็นนบัตพยศียอมที่ก็ไม่ได้ปลุกนาไว้ไม่จะยากไม่ได้ปลุกนาก็ไปขอหรือถึงแม้เป็นญาติเป็นปลุกนาไว้เนี่ยก็ไม่ควรภิกษุนี้แม่ภาพขอโพชนะนี่ยก็เป็นของภิกษุณีไปภิกษุใดไม่ไม่ต้องรับภาพขอแกงข้าวสุกเพื่อตนมาฉั น, น, นก็เป็นอบัติเนี่ยนะหกประการเหล่านี้อันนั้นท่านกล่าวไว้สําหรับภิกษุแล้วต่อมาท่านก็พูดถึง การหลอกลวงการหลอกลวงมีเยอะเช่นการสื่อหน้ากิริยาสื่หน้าการหลอกลวงกิริยาหลอกลวงขวหญนาวัตถุการเสพปัจปจยัยการพูดกระซิบการพูดสื่อหน้าการหลอกลวงการแต่งท่ายมจะสรัทามาได้อยยาบดใดใช่ไหมแล้วมาทําอยาบดนี่ยมาจะได้สกุลละเ ย, ย, ยอะๆมาก็ทําอยาบดนะี่ย มาจะนั่งให้ประหลาดปรลาดหน่อยอย่างนี้โยอนี่ยยสกายะเ ย, ยอ่ยวนี่เ้ารู้ว่าถ้านั่งอย่างนี้มันจะได้สมมตินี่นะมาได้สมมตินี้ยเข้าใจอย่างเช่นจะนั่งเข่งเขงนั่งไม่ค่อยพูดทั้เนี้เพราะเพราะนั่งนี้เรายอมสวารค์จะศรัทธามามากป็นนั่งเลยเพราะถ้าทําอย่างนี้ไม่ศรัทธาไม่ได้สกาะระนี่เนี่ยบางทีตั้งท่าแซงท่าเนี่ยถ้าไม่ยอมมงมัมนศรัทธาได้ไหมทำไม่ให้ไม่ศรัทธาก็ได้ใช่ไหม แต่ประเด็นมันอยู่ตรงนั้นว่าสร้างเพื่อมีกิริยาหวังสก่ารักที่ตรงนี้สาคัญใจต้องบริสุทธิ์จริงนะถ้าต้องรักษาใจเองถ้างั้นก็เป็นการหลอกลวงเห็นอาชีวปวน่าท่านไม่ได้ศึกษาท้ใจ่การที่ท่านไม่เข้าใจว่ามันมันมผิดเนี่ยท่านก็ก็ไปขอไปูได้แต่โยมเองก็ไม่เข้าใจว่าการที่ว่าไม่ที่เยะไม่ใช่ คือคือมันประเด็นแบบนี้ยอมรับอยูทางโลกทา่านยังไม่ยอมเลยเช่นไปฆ่าคนตายไม่รู้ว่ามันติดคุกเขายอมไหมเขายอมไม่ไม่ติดคุกไหมไปลับของเขาบอกผมไม่รู้ว่าเขามีกฎหมายห้ามนยู่น้ำพระธรรมวินัยเป็นแบบนี้จะมาอ้างประเด็นว่าไม่รู้ไม่ได้ เขามีกฎหมายอยู่ข้อนะประชาชนชาวไทยจะอ้างว่าตนเองเนี่ยไม่รู้กฎหมายแล้วก็ถือเอาเป็นเหตุแห่งการจะทําผิดไม่ได้เการศึกษาดีทั้ทงแร่ทั้งโยมเขาปฏิเสธไม่ได้วงรู้ปฏิเสธไม่ได้เอาทั้งโลกเนี่ยต้องเรียนใช่ต้องรู้เห ม, มือนยอมสวรรณ์ใหงทางําเท่าไหแล้วเกิดข้าวขึ้นมาดิฉันไม่ทราบ จะถือเป็นข้ออ้างเพื่อไม่ได้ถูกติดโ<ห>ุกเลยมั้ยไม่ได้ในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยผิดศีลแล้วต้องลงอะบียภูมิจะอ้างว่าไปบอกนายีพทย์โอ้โหตอนบวชมาพ้าพเจ้าไม่ทราบพะพเจ้าไม่รู้เป็นจริงเไม่เยอะจรโยาไม่รไม่รู้ะนะที่อยากไปอ้างว่าเป็นเหตุว่าเพราะไม่รู้ใช่หม พราะอ้างก็ฟังไม่ขึ้นฟังไม่ขึ้นหรอกแช่อย่างกรณีอย่างการการวางท่าการตั้งท่าการแต่งท่าการแต่งอีเดียบทการพูดอาศัยลาบเนี่ยนะด้วยการสริเสริญเนี่ยการพูดปรารถนารามบุปรารถนาครอบงาเนี่ยกป็นงานหลอกลวงหมดเลยเอาดิพูดและเล่มพูดไงพูดอวดพูดเอาใจพูดยกยอพูดยกยอให้หนักขึ้นเอาพูดยกยอแค่นี้มันไม่ได้พูดหนักขึ้นหนักขึ้น อัดข้อมูลหนักขึ้นมังคนเนี่ยพูดจนต้องควักเงินในกระเป๋าไปใส่ใ้บาเนเคยเคยเจอไหมล่ะพูดอยู่นั่นแหละพูดยกจนไนอก็พูดใช่ไหมก็นี่ไงอามากำลังสอนอยูอย่ก็ทำไงได้เรา <c oughs> ต่างผู้กำลังไม่ถูกทั้งสองหมือที่จก็ดูเหมือนเราดูนะที่จกันนะทันานดูเหมือนพระโยงๆรู้น่ะแต่จริงงู้งมรู้บางทีเนี่ยพูดดา่าแต่กลายเป็นการหลอกลวงไนดะ้การพูดดา่าการพูดต่างๆเนี่ยเอ๋ยอย่างย่อตัวอย่างไห น, หน้อเช่นการพูดทานินิตก็มีนะยางยกตัวยอย่างเช่นนะ น, นี่อย่าไปจับรายละเลอียดค่อนข้างเยอะนี่นะยังยกตัวยอย่างเช่นว่า การจะทํากายวาจาเป็นนิมิตความฉลาดในการทํานิมิตคือการพูดเป็นปัจกยัยการพูดเป็นในาการพูดกระซิบการพูดเรียบเพียงหรือแก่คนอื่นๆนั้นใดเนี่ยของภิกษุเนี่ ย, ยผู้หวังกะสักการละหวังสังเรด ม, มีความปรารถนาลามกเป็นการจะทํานิมิตหมดเล ย, เ, ยเช่นว่าเป็นการการพูดเป็นในๆอย่างนี้ที่วัดมันมันมองไปแล้วมันเก่าๆไปหมดเลยเนี่ยของ นี่พูดย่านี้ไดพูดไปนิดๆนะแต่ว่าอยากได้กุฏิใหม่ะพูดแต่ความหวังมันเกิดขึ้นไะอย่างเนี้ยเป็นอาชีววิบัตเสียศีเลยเป็นอาชีววิบัตพูดเรียบเคียงก็ได้บางทีพูดเรียบเคียงแบบลักษณะว่าเออกรณีที่ว่าที่จริงอาศัยความปราศนาคชอบงามนี่แหละพูดอีกอย่างหนึ่งแต่นี้มันไม่ได้ขึ้นมาพูดข่มเลยดีนี้พูดด่าเลยพูดยังไงมันก็ไม่ได้ใช่ไหมพูดด่า พูดตาพูดครหาพูดสาเลยพูดสาให้หนักขึ้นเนยพูดตีเตียนเนี่ยตกหน้าลบหมดจนหมดที่ไม่ยอมทําบุญทากุญศนกันเนี่ยพวกนี้อะเนี่ยเนาะเนี่ยพูดอาจารย์ไหนไใช้ความเรียนรู้หน้าที่ได้เนี่ยคะถ้าอย่างโยมเนี่ยอย่างลูกพรเนี่ยท่านจะพูดเร่งเร่งวันเดียวติดพังจะเก่าแล้วพูดเร่งเหมือนอย่างอาจารยเราสั่แต่โยมเองเนี่ยเขาไม่รู้ว่าติดมันจะทําแล้วมันเป็นหน้าที่ของโยมและเป็นหน้าที่ของกพระ ใช่ไไอ้จะปพรไบอกเราเพไม่ชอบทีนี้พระจะพูกขบาปกเงเีนไอ้เราเองคือไม่รู้น่าทีสรุปแล้วไม่รู้าที่หน้าที่เรามีหน้าที่จะช่วยสงได้ยังไงตัวเราก็ยังไม่รู้เลยพรจะไมบอกเราก็ไม่ทราเราไม่รู้เจอแต่ยิ่งย่กาศึกษา เขาอย่างนี้เริ่มต้นชีวิตใหม่เลอย่างนี้ในในในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นะเขาอย่างนี้ก็แล้วกันว่าในพระศาสนาเมื่อเราศึกษาแม้เรื่องศีลก็จะฉลาดในเรื่องศีลศึกษาในเรื่องของสมาธิก็จะฉลาดในเรื่องสมาธิเพราะศึกษาในเรื่องของปัญญาก็ฉลาดในเรื่องของปัญญาเพราะศึกษาในเรื่องของทานก็ฉลาดในเรื่องของทาน พอหลังจากพุทธบริษัทมีความรู้เรื่องทานศีลแล้วก็เรื่องปัญญาค่อนข้างชัดเจนแล้วเนี่ยนะพุทธบริษัทก็จะรู้จักการควรและไม่ควรเป็นต้นก็จะรู้จักการที่ควรและไม่ควรใช่ไหมเพราะจะรู้ทันทีเลยว่าพระท่านทําแค่ไหนได้แค่ไหนอย่างไรและแค่ไหนทําไม่ได้อย่างไรงา น, นกิจบางอย่างเป็นกิจที่พระก็โยมเพื่อเพื่อคูณอย่างไรควรปฏิบัติต่อกันอยไ่แล้วชาวพุทธจะเป็นคนฉลาด ในการใช้โวหารที่ถูกต้องในการตามพระวินัยน่าเชื่อถืากพอไม่ได้อะไรไม่ได้แโยมเนี่ยมันมีน้าที่ออทำอะไรได้แต่คือคือมันจะมีหลักว่าเอาวรณาไว้สมมติถ้ายอมสุภันฑหงเข้าใจในพระธรรมศึกษาดีแล้วยอมสุภัณหงเข้าไปที่พระ นิดๆก็อย่างบฝงทั้นเนี่ยชา้นลงภาฒนาวัดทงการวัดไม่ว่ากันแล้วจะยาวเลยต่อไปนะม่งั้นก็ยาวแล้วอะมเขากจเ้ภาวนาถ้าโยมโยมอย่างเนี้ยจะสร้างโบสถ์เนี่ยคุณเองนายแต่ท่านไปพูดเสมอภาวนานะถ้าต่อไปก็คือทำานาที่ของโยมกรืหน้าที่ของพระทภารที่ของสงฆ์สงฆ์จำถ้าเทไรโยมมีหน้าที่อะไรโยมมีหน้าที่ดูแคลคะ อยกเลี้ยจากหวนนะเจ็บใจไปวยหรือเปล่าแล้วการนี้ักเรียนสอนใช่ไหมอาจารย์ี่ที่แันมาเรีนเนี่ยจ ร, ร, ริรนน <c oughs> งๆแวืสอนอะไรก็ประเด็นก็อย่างนี้ประเด็นก็คือตางฝ่ายก็ตอนนี้ก็ต้องหันมาหาพระเจ้ากันปรึกษากันบอกว่าเออรู้สึกเราจะหงประเด็นกันมากแล้วก็หันก็หาพระเจ้าแล้วก็ฟังพระเจ้าสินะก็เอาพระธรรมในพระธรรมคอนพระเจ้า ก็ไม่มีข้อขัดเย้งดีไหมอย่างนี้ดียังไ <c oughs> งก็คือ ท, ทำความเข้าใจว่ามันไม่ได้มีอะไรมันไม่มีอะไรที่มันจะใช้คำว่าสายแล้วก็มันสายมาทั้งนานมันจะจะมืดอยู่แล้ว <c oughs>